บุ๊กท5ห้าสิบห้านปการทงานคุณทำอาชีพอะไรคะอาเกย์มาจีบปะวันีสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ มวยมุช p o ป o อ a n มไลกดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงอีกไม่นานเงินพยาบาลวันละสองสามชั่ว chodo งแต่ภาษีสูงมาก แต่ด้านี้ส v y ok s ิ k <S ok é และค่าประกันสุขภาพก็สูง a z d r a v o t n é poistinie v y s o k é หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต jim b y s r chcel byť หนูอยากเป็นวิศวกร chcel by som byť inžinierom นูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยฉันดวออร์ซดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดซมปรากติกันท์ดทิฉันมีไรายได้ไม่มากนิซาราบัมวลยาดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศรักซเวมวซารานิชิ นี่คือหัวหน้าของดิฉันโตโยมุอิเซฟดิฉันมีเพื่อนร่วม ง, งานที่ดี m า ม, มิลิชกอลิโกเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรองอาหารเสมอนาโปลุดเน่ยิเมว์วชติโดยเดาลเน่ดิฉันกำลังมองหางานเฮยาดามปราตซ ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากคร า, การุณาไปที่ w w w b o o k t o d e